ในช่วงประวัติของพระเกจิอาจารย์ผู้ วัดถลุงทองนี้ขนาดพ่อท่านคล้ายแห่งวัดสวนขันธ์ยังกล่าวยก ก็ยัง 29 สิงหาคม 2429 แล้ว 8 ปีพอครบ 2447 แล้ว 2533 รวมเสรีอายุ 104 ปีบวชได้ 84 พรรษาพอท่านคลิ้งเป็นคณาจารย์ที่อายุยืน วัดถลุงทองเนี่ย 9 กิโลเมตรระหว่างทางจะผ่านสวนผลไม้ไร่นาของชาวบ้านบริเวณวัดสงบร่มเย็นอยู่ ว่าเป็นเถระที่มีวิชาอาคมเอ่ออยู่ในระดับสูงอีกรูปปีทางด้านอภินิหารพอท่าน ฉลอง 93 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปรประดิษฐานที่ด้านหลังเหรียญจึงนับ ซึ่งช่วงที่พบประสบการณ์นั้นนายสุนทรจําได้ 2548 เพราะเป็นฤดูมรสุมทาง ลอยประยุงตัวเองลอยคออยู่กลางทะเลถึง เพราะว่าเป็นที่รู้กันดีในหมู่ชาวประมงหากเรือประมงนั้น แล้วก็ในฉลองสง่าวงฟันว่ายน้ําไปส่วนอีกเรื่องนึงนายกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เล่าว่าปี 2547 เวลาประมาณ 3:00 ทั้งมืดทั้งเปลี่ยวปรากฏมีมือปืนมาซุ่มยิงได้ปืนลูก ถึงกับสลบมึนแล้วมือปืนก็หนีไปกระทั่งเช้า ที่สร้างขึ้นเมื่อปีสร้างขึ้นเมื่อปี 2525 ในโอกาสทำบุญครบรอบ ช่วงเวลาที่อาจารย์ย่อนําเอาเรื่อง ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิบัติขอเชิญท่านทั้งหลาย 643 ครับ 084 643 ครับ